คำว่าจะแนะนำกันเวียงข้างสุดท้ายก็หมายความว่าจะแนะนำกันตเต็มแบบฉบับจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจาสำนักแล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกความรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอิชาสามิญญาหกปฏิสมิธายา น, นั่นก็จะไว้เป็นในคัดเศษสำหรับที่ จะออกให้กระทำงานหลายนาฬังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าสาหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรนี้สอนแล้วก็บันทึกไว้ด้วยและต่อไปก็จะให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะว่าหลักสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ะละข้อแม้แต่นาฬปานบับ องสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยันนิพานหมดเป็นอันว่าทำอย่างเดียวถึงนิพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดทั้งสี่บาปสี่เบิระท่านกำบับเดียวถึงนิพานท่านสอนว่าอย่างนั้นจริงๆคราวนี้จริงจะบอกว่าจะสอนมหาสติปัฏฐานาสุดกันอย่างเต็มแบบมบับจริงๆ แต่ถ้าเป็นนังสีก็เล่นเบเรนแน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสอผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนำกันในเรื่องมหาคฏิประานนสูตรก็อย่าเพิ่งเอามหาคติประานนสูตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวานนี้ผมได้พูดถึงอิทธิบาทสี อันนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะว่าในด้านเจรณะสิบห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจำได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมดอย่ามีท่านองค์ใดองค์หนึ่งมาอ้างบอกว่าจำไม่ได้หรือไม่ได้ฟังที่นี่ไม่มีความต้องการจะได้ดินได้ไดินถ้อยคำประเภทนี้ รือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบถือว่าเข้ามาอยู่ในสำนักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านบนใดเรียนว่าไม่สามารถก็รีบย้ายไปเสียก่อนเข้าพรรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าพรรษาแล้วจะลำบาก คำว่าไม่รู้ย่อมไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาจีว่านั่งหลอกนั่งลวงชาวบ้านเพราว่าเราเป็นพระเป็นเลนเพื่อประปโยชน์อะไรที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนชั่วเข้ามาไว้ในสำนักความจริงผมอยู่ในสภาพเวลานี้ก็คล้ายๆเร า, า, า, าซื้อคนเข้าไว้เพราะว่าผมจะต้องลงทุนทุกอย่าง เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจําอยู่ในเกณฑ์หมื่นมืม่นบาทเศษนี่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในที่ว่าไม่เป็นมตถกก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจำนวนนี้ถ้าผมจยากซื้อเอาเลี้ยงเอาคนชั่วเข้าไวน้นี่ผมก็เสียดายสตังค์ของผมไอ้สตังค์ก็ไม่ใช่สตังค์ของผมสตังค์ของชาวบ้านท้อชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้า แต่ได้ว่าจะเอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเขาว้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียเสถาภาษาท่าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กานี้มันจะมีประโยชน์อะไรฉันขอท่านหลายจงมีความเข้าใจเช่นว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไม่ว่าคนชั่วคนดีไม่รู้ฉันต้องการนั้นน้อยคนมาก ที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีถ้าคนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจก็ไม่ต้องการเดี๋ยวก็จะหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่วขอทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงสมาหาสติปทานลสูตร เมื่อวานนี้พูดถึงอิธิบาตสี่ต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้นะอย่ามาอ้าวว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้ยันนี้ไม่ได้ถ้าอ้าวว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้เชิญออกไปได้ทันทีที่นี่ไม่มีการปริเวณสำหรับคนที่ไม่มีสมรรถภาพแล้วก็อยากให้ออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ นี่ก่อนจะพูดเรื่องมหาปฏิปทานวันนี้ก็พูดเรื่องบรารมีต่อในอิทธิบาทสี่เราต้องทําให้ครบถ้วนนอกจากนั้นก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานด้วยการที่เข้ามาเป็นพระเป็นเองคนดีจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามจะต้องปรับปรุงบรารมีสิบให้ครบถ้วน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 คือว่าทำกำลังใจให้เต็มจำให้ดีนะมีสิบอย่างคือหนึ่งทานการให้เราเมียรมอยู่เสมอว่าเราจะสงเคราะห์คนใสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะเพีงให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ดนวัตถุแล้วก็ให้ดนววัตถุ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 พวคนผู้ต้องการให้นี่ไม่ใช่เขามันเป็นการตัดการสะสมตัดความโลภในการตัดความโลภในการให้นี่องค์สมเด็จตระสมาสมุทธเจ้าถือว่าดีเป็นกิจของพิสุสัสมนเนยนทั้งหมดหรือท่านพยโยคาวาจอนหลายจะต้องทำแต่ว่าการให้นี่ก็ต้องดูคน ไม่ใช่สักแต่ว่าคนเราก็ให้ถ้าให้แล้วจะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็จงยก ง, จงดการให้เสียให้แล้วจะเดือดร้อนให้แล้วจะมีภัยอันตรายงดไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้ไดะก็ต้องดูการควรให้ไม่ควรให้ทั้งนี้ก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จตสมมาสมพุทยเจ้า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 ไม่ใช่พร้อมเพื่อสะสมแต่ว่าทรัพย์สินเขาสงที่เราให้มาชาวบ้านถวายมาต้องรักษาศรัทธาเขาไว้ไม่ใช่ไปทิ้งไปคว้างไปทําลายทางกําลังใจของชาวบ้านให้เสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามจงมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเรา เ, ราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เอ่านี้จิตมันก็ไม่ติดในลาบสกาละนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีลและบา ร, รมีก็หมายความว่ามีกำลังใจรักษาศีลให้ครบพ้นบริบูรณ์ศีลมีกี่สิกขาบทเขาอ่านให้ฟังกันเขาพูดให้ฟังกันทุกเย็นตำราตาร า, ามี ไม่อยามันนั่งแก้ตัวว่าไม่รู้นะมันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้ก็รีบออกไปซะจากทีน่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คำว่าไม่รู้ว่าศีลมีกี่สิกขาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เต็มบริีนที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สำหรับทานก็ได้กระจากคานุสติกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการสงเคราะห์อยู่เสมอใคร่คยคในสิ่งก็ตนนอมัดระวังสินให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอยู่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขมบา ร, รมีเนคขมแปละว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ให้บวชกายภายนอกเพียพงแค่โคนหัวผมผาเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวช ด, ดีไม่ดีก็เรามีสภาพเลวกว่าชาวบ้านเขาก็มีนักบวชนะศักด์แต่ ว, ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติ ธ, ธรรมรในในเนคขมะติบรมีตัวนี้ก็ได้แก่การระงับจิตให้ชนะนิวรห้าอยู่เสมอ คือนหนึ่งเราจะไม่มัมวเมาในการมใชันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสมัมผัสระหว่างเพศเป็นอันวรกข้อนี้เราจะต้องใช้กายกายตานุสติกาสุปกรมฐานเข้าป ร, ประหารประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระ ง, งับความโกรธความเจบ็บัด ความโกรธความยำ บ, บ่าที่จะต้องไม่มีในจิตของเราบางเอิญมันจะมีก็ระงับเส้นโดยเร็วอย่าให้มันไหลามาทางวาจาหรือว่าไหลมาทางกายวิธีระงับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่การเจริญพรหมวิหารสีหรือว่นนาวันณะกสินสีนี่คือกะสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกำลังใจเข้มข้ น, นให้เต็มอยู่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในเป็นขาดตัวนี้หรือว่าขาดบารมีก็ไม่ควรจะมีผ้ากาสาวพัดอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัด ในเมื่อราบวชเข้ามาเป็นศาขยบุตพุทธกินารถมีศีลบริสุทธิ์แะมีเป็นศีลปธิสีนสสมีอิทิบาทสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ไอที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาสแสดงว่าความเลวมันมากไม่ได้มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลย นี่เนคขมะบ ร, รมีต่อไปก็ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดความสงสัยด้วยกำลังของปัญญาต้องเอาอย่างนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไว้อิทิบาทสีก่ก บ, บรมีสิบต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมันนั่งหลับหูหลับตาภาวนา ว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้อต้นไม่ทําไม่มีครบระทําไปกีดโกดตีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเลวนี่มามาปัญญาบา ร, รมีคือต้องมีปัญญามีกําลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้ว่าอะไรมันดีรู้ว่าอะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา พวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่ดเด็กปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพ ป, ปะปะปัสสะกระนังเราไม่ทำความชั่วทั้งหมดใช้ปัญญาค้นคว้ามาทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำส่วนใดชั่วทำส่วนใดดีทำส่วนใ ด, ด, นดชั่วทำลายล้างให้หมดแยกเกิดขึ้นกับจิต ให้ใช้ปัญญาคอยระมัดระวังไว้กุศลสุภสมบทาทำแต่ความดีทุกอย่างสจิตาปริโยทะปันนังทำใจผ่องใสเดิมหน้าการเจริญสมบทาภาวนาและวิปัสนาภาวนานี่ปัญญานี่ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกพร่องอย่ามันนั่งใช้คำว่าไม่รู้กัน ที่นี่ไม่มีคําว่าไม่รู้จําไม่ด้วยเพราะว่าตํำราตรํารามีเทปเสียงก็มีจะฟังกันอะไรก็ได้ฟังกันเองโดยไม่ต้องเสียสตังวันละสีเวลาตหรับตําราก็มีดยูยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ ท, ทันทีมาวิริยะบรบมีความเพียร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 มีอยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใดนางไหนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปรับกันดูตัวอย่างในจริตกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคะจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายิค ต, ตานุกสติหนึ่งเอาสุขกรรมถานสิบเข้าประทัประหาร ท, ทันทีถ้ามันมีอารมณ์นักพเนธโหสถจริต ก็ใช้พรหมวิหารสีใช้พรหมวิหารสีกับกรสินสีถ้ามีวิตกจริตหรือว่าโมหจริตก็ช้อนาปานุสติถ้ามีศรัทธาจริตตัวนําดีตัวนี้เราก็ใช้ ใช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณานุสติกมัฏฐานอาหารไรประดิโกเดสัญญาจตุธาประดานสีอุปสมานุสติกมัฏฐานนี่อารมณ์ชั่วที่เรารู้ตัวจะพึงแก้เนี่ยเขามีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่จะมามบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กำลังใจก ต, ต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบไว้นี่มาได้ขันติบารมีความอดทนความอดกลั้นในขณนะที่มันจะต้องต่อสู้กับรมชั่วแต่ลมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้ขันติความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่พ่อแป่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังเขากำลังใจมาสจับรมีระยุธีความจริงใจไว้เสมอว่านิพานัสสติกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาเรารับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เสมอ เราจะไม่ทอถอยตัวบัสักใดๆทั้งหมดนี่ต่อไปในขั้นอดิฐานะบารมีคือความตั้งใจมั่นการส่งกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังชนะอะไรกันแน่เราบวชเข้ามาปฏิบัติกันแบบประเภทเทวาลอยแพรอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูก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 ด้วยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรมมานุสติกรรมฐานสังคานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจเพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหนา้าและเราต้องการปันปินดอบายภูมิสีเวิกการคือนรกเปตอสุรกายสิเดสตจฉานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นด้วยการรักษาสิงหอริสุต์ตั้งใจอธิษฐานเขไาวา้ให้อสรมนี้มันส่งตัว อารมณนี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสักิธาคามีไม่ต้องพูดกันอนาคามีก็รวบรวมกาลังใจในกายยกตานุสติราสุปกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัตประหารการมฉันทะาให้พีนัทไปจากบิดไม่ใช่ระงับนี่คัมะรบารมีนี่ระงับนี่ทำลายให้พี่นัดไป แล้วทำลายกําลังใจที่มีปริฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอํานาจของโทมารีหารสี่หรือกสินสี่คู่กับปัญญานี่นอดิฐานะบา ร, รมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นประสูนามันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะเศรษฐาคาหมีก็มีกําลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงกว่ากันนิดหน่อย หรือไม่เช่นั้นก็ต่างใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอารหัตผลอันนี้ไม่อยากเราะว่าการพิจารณาคือทําลายลกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบประการเราทําละข้อเดียวคือข้อสกายติทิด้วยการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรา จงทั้งอารมณ์จิตเราไม่เกาะ อ, อยู่ในขันห้าเราก็เป็นพระลาอนอดีฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุมอารมณ์ไม่ว่าเราจะต้องทรงความเป็นประสูดาบันให้ได้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติประสูดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเทะเยทียญาณ แต่ว่าขอบเขของพุทธศาสนาต้องเป็ญญนอะย่างนั้นนี่เมตตาบาร ม, มีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสําคัญมากความรักนี่หมายว่าความว่าเราจะรักคนก็ดีเราจะรักสัตว์คนดีคนอื่นก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักสม่ําเสมอกัน เถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความประทนาเสมอกันรักสุขเียดทุก ข, ข์เหมือนกันเขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชันใดคนอื่นแนละสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูชนนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลเอง เราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบันดาลให้กับเราเราก็ไม่บันดาลความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเราต้องการความสุขในการเกือ้อกูลจากคนอื่นเพื่อเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเกือ้อกูลให้บ ค, คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการถราเราไม่ตามันก็จะสมบูรณ์ จัดเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี้ต้องจําไว้แล้วก็นึกไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอๆนี่ก็ทําด้วยมาอบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือวางเฉยเฉยตัวนี้ไม่ใช่เฉยแบบแบบไหนอุเบกขาต้นก็มีหานสี่เฉยตัวนี้นี่แกแสังขารวเปรคาญาณ คือเฉยในขันห้าว่อเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดนิราบยศเรินสุขไม่เร่าร้อนมันลาบเสื่อมไปยศเรินไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายทีอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่กฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลเพื่อความสุขหรือความทุกข์ก็ถือว่านี่มันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาถ้าขันห้าของเรานี่มันถึงีะต้องแตกสลายไปแล้วก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็เชิยแก้ป่วยแล้ว่าเชิญป่วยจะตายก็เชิยตาย ฉันรู้แล้วว่านายจะเป็นอย่างนั้นท่บบนานบรรดาท่านระโยคนาวจรทุกท่านเมื่อเรามีสิ่งไปกันก็ดีแล้วก็อธิบาทสีก็ดีเป็นสภาวะที่มีความจําเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องทรงไว้ในกำลังใจเสมอและก็ปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะช่วยบรรดาพวกท่านทั้งหลายพอจะเป็นพระขึ้นมาบ้าง ถ้ายังไม่ถึงประสูิดาบันเราสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยท่านหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจไว้ที่บาทสี่มีอะไรบรารมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวันตื่นขึ้นมาเช้าเรยมตาใหม่ใหม่ทบทวนทาาน้ำบารมีสิบประการอิที่บาทสี่ว่าเราบกข้องอะไรบ้าง วันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิทธิบาทสี่แล้วก็บรารมีสิบเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ว่าอิทธิบาทสี่บรารมีสิบนี้เราบุพร่องข้อไหนบ้างถ้าบกพร่องก็กรีบแก่เสียแล้วสัหหับวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจานี้ไปขบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระวพิตแกว จงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใคร่คนในบทประธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินนวรมศา ส, ดาศสมด็จรสังฆาชสมเด็จพระอรหันตอสมวรแกเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี